ที่ว่าสติปฐานสี่เป็นอาหารหล่อเลี้ยงโพชฌงเจ็ดและโพชฌงเจตนั้นก็หล่อเลี้ยงวิชาและวิมุตติโดยยกพุทธพจน์มาย้ำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าววิชาและวิมุตติว่ามีอาหารมีใช่ไรอาหารก็อะไรเป็นอาหาร ของวิชาและวิมุตติพึงกล่าวว่าคือโพชงเจต์แม้โพชงเจต์เราก็กล่าวว่ามีอาหารม่ใช่ไรอาหารก็อะไรเป็นอาหารของโพชงเจตพึงกล่าวว่าคือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่ที่บริบูรณ ย่อมอย่างโพชงเจตให้บริบูรณ์โพชงเจตที่บริบูรณ์ย่อมอย่างวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ตามพุทธพจน์นี้ชัดว่าโพชงเจตเป็นธรรมะที่ส่งผลแก่วิชาวิมุตติ เข้ากับเป็นตัวที่ให้สาเร็จมักผลส่วนสติปฐานก็ช่วยโดยหล่อเลี้ยงโพชงเจดนั้นพุทธพจน์นี้ช่วยให้มองวิปัสนาได้ชัดขึ้นในสติปฐานนั้นสติทำงานเป็นพื้นยืนรองอยู่ปัญญาในชื่อว่าสัมปัตชัญญะก็ได้โอกาสทำงานไปด้วยโดยรู้เข้าใจทุกอย่าง สติจับดึงตรึงไว้หรือเข้าไปถึงสติจับอันใดให้สัมปัชัญญะก็รู้เข้าใจอันนั้นเหมือนว่ามือจับอะไรเสนอมาตาก็ได้ดูเห็นสิ่งนั้นส่วนพ่อชงก็คือบนพื้นของสติประธานนี่แหละคราวนี้สติจับเรื่องทรงให้ปัญญา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 เป็นหนึ่งเดียวต่อเนื่องไปสม่ำเสมอก็เรียกว่าเป็นสมาธิและเพียงแค่นั้นสมถะก็สำเร็จส่วนในวิปัสสนาสติกำหนดอารมณ์ให้แก่จิตหรือเดืองจิตไว้กับอารมณ์เหมือนกันแต่มุ่งให้จิตเป็นที่วางอารมณ์เพื่อสนองอารมณ์นั้นให้ปัญญาตรวจสอบพิจารณา คือจับอารมณ์ไว้ให้ปัญญาตรวจ ด, ดูและวิเคราะห์วิจัยโดยใช้จิตที่ตั้งมั่นเป็นที่ทำงานหากจะอุปมาในกรณีของสมถะเหมือนเอาเชือกผูกลูกวัวพยศไว้กับหลักลูกวัวจะออกไปไหนไปไหนก็ไปไม่ได้คงวนเวียนอยู่กับหลักในที่สุดเมื่อหายพยศก็หมอบนิ่งอยู่ที่หลักนั่นเอง จิตเปรียบเหมือนลูกวัวพยศอารมณ์เหมือนหลักสติเหมือนเชือกส่วนในกรณีของวิปัสนาเปรียบเหมือนเอาเชือกหรือเครื่องผูกผูกตรึงคนสัตว์หรือวัตถุบางอย่างไว้กับแท่นหรือเตียงแล้วตรวจ ด, ดูหรือทากิจอื่นเช่นผ่าตัดเป็นต้นได้ถนัดชัดเจนเชือกหรือเครื่องยึด คือสติคนสัตว์หรือวัตถุที่เกี่ยวข้องคืออารมณ์แทน่นหรือเตียงคือจิตที่เป็นสมาธิการตรวจหรือผ่าตัดเป็นต้นคือปัญญาที่กล่าวมานั้นเป็นการพูดถึงหลักทั่วไปยังมีข้อสังเกตปลีกย่อยที่ควรกล่าวถึงอีกบ้าง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 หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอารมณ์ใดๆก็สังเกตปลีกยย่อยอื่นๆยังมีอีกเช่นในสมถะสติกำหนดอารมณ์ที่นิ่งอยู่กับที่หรือเคลื่อนไหวเป็นรูปแบบเฉพาะซ้ำไปซ้ำมาภายในขอบเขตจำกัดส่วนในวิปัสสนา